กล่าวมันลุ่นในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกำเนิดโลกกับตกำเนิดชีวิตซึ่งได้พูดทางมาเ ม, ม, ม, มือ่อคราวที่แล้วนะครับสําหรับปัญหาเรื่องโลกได้กล่าวมาแล้วว่าทางพุทธศาสนาเราเพ่งเข้ามาข้างในไม่ทพ่งออกไปข้างนอกคือการตอบปัญหาเกี่ยวกับโลกกระทับในพุทธศาสนาเพ่งโลกอยู่ในตัวบุคคลชีวิตมนุษย์กระปักรี้เป็นโลกโลกหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ลักษณะวักษณะการของโลกในพัฒนาะทางพุทธศาสนาจึงแสดงออกในรูปของปฏิจจสมุปบาทหรือที่เรียกกันว่าปฏิยาการปฏิยาการติดต่อซึ่งในภายหลังในยุคที่มีอภิธรรมเกิดขึ้นแล้วได้พัฒนาปฏิจจสมุปบาทออกเป็นปัจจัยที่สี่สการด้วยกันดังปรากฏพิจารณาในคำพิมาประธานส่วนในศาสนาติดนิยมฝ่ายเทว คือศาสนาที่เป็นงเทวะนิยมกับเอกเทวะนิยมนั้นแึ่งปัญหายัตนา่างของโลกออกไปข้างนอกจากตัวจึงได้ยพยายามขบปัญหาว่าสมุทฐานของโอกาสสรุมาจากอะไรและเนื่องจากวุฒิปัญญาของมนุษย์ในสมัยโบราณซึ่งยังคบปัญหาธรรมชาติแต่ความลี้รับทางวิทยาศาสตร์ไม่ออกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําให้มนุษย์ในยุคโบราณเกิดความเชื่อมั่นตรงกันในข้อหนึ่ง คือถือว่ามีพระพุ็นเจ้าเป็นผู้สร้างสารรค์โลกนี้เพราะฉะนั้นปัญหาเองพระเจ้าสร้างโลกเกิดในสมัยมนุษย์ยังเป็นคนป่าคนเขื่อนความรู้สึกอันนี้โตรงกันหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติในเอเชียยุโรปหรืออเมริกาหรือสวิตสไตร์ก็ตามเท่าที่มีมนุษย์สมัยยุคเด็ดกจำ บ, บาลกันอยู่ความเห็นในข้อนี้ว่าโลกจะต้องมีผู้ผู้สร้างโดยเอาความรู้สึกง่ายๆอย่างความรู้สึกของคนว่าบ้านก็ต้องมีผู้สร้างฉันใด โลกก็ต้องมีผู้สร้างสำหรับให้มนุษย์อยู่ฉันนั้นความรู้สึกไง่ง่ายไปตันกันแค่นั้นเมื่อชาวพุทธประสบปัญหาในข้อนี้เขาตั้งปัญหาว่าถ้าโลกไม่มีผู้สร้างแล้วโลกเกิดจากอะไรในฐานะที่เราเป็นนักเผยแผ่พุทธศาสนาเราก็ต้องตอบไปว่าปัญหาหรือโอกาสโลกนั้นทัศนะของศาสนาขั่งกับศาสนาเราต่างกันทัศนะในศาสนาของเราน mm ั hmm. ้น ไม่ต้องการจะไปเสียเวลาคบคิดปัญหาอุบัติการของโอกาสโุรกเราถือว่าชีวิตของมนุษย์เาราอนนี่เป็นโลกโลกหนึ่งปัญหาทั้งทางที่ชาวพุทธเราคบคิดก็คือปัญหาเรื่องทุกข์ต่อความดับทุกข์เราไม่ต้องเสียเวลาไปกบคิดปัญหาเรื่องโอกาสโุรกวามาจากอะไรแต่เมื่อท่านยัดเยียดจะให้เราชาวพุทธพยายามตอบว่าโอกาสโุรกมาจากอะไรแล้วเราก็มีทางตอบได้ว่าลักษนาการของโอกาสสุรกนั้น มาจากจุดที่เป็นอ น, นันต์จุดที่เป็นอ น, นันต์ทำไมตอบอย่างนั้นเพราะจุดที่เป็นอ น, นันต์น่ะตรงกับหลักวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการของส า, ากลจักรวาลนันไทรสาลถ้ามองจากทัศนะของวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีเบื้องต้นกับเบื้องปลายแค่จุดตั้งต้นของส า, ากลจักรวาลจะหาไม่พบในทัศนคของวิทยาศาสตร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันเองเป็นวงจร อันนี้ก็ตรงกันหลักวัดตถุสงสารในพุทธศาสนาเมื่อถือว่าทุสิ่งอยู่ในวัตถุสงสารแล้วไอะไรเป็นเบื้องต้นเราจะหาไม่พบเลยเพราะมันไป็วงกลมจะไปชี้จุดไหนกรอกไหนอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นใดทั้งนั้นหรือจะไปชี้จุดไหนเปลาะไหนอันนั้นก็เป็นศูนย์กลางใด้ทั้งนั้นคล้ายๆว่าวเราเชื่อว่าโลกกลมอย่างเงี้ยถ้ามีผู้ใดามาถามบอก ว, ว่าถ้าโลกกลมแล้วศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนชี้ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นศูนย์กลางของโลกเพราะมันกลม จึงมีเรื่องขาขันเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามที่สี่ที่วัดระฆังมีพวกฝรั่งบาดหลวงไปลองภูมิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตธรรมรังสีวัดระฆังเข้าถามบอกว่าทศนะในพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกแบนหรือโลกกลมต้นที่พุทธาจารย์โตทางก็ะบอกกับบาดหลวงผู้นั้นว่าทางพวกเราถือว่าโลกกลมถือว่าโลกกลมาบาดหลวงคนนั้นก็ถามบอกว่าถ้าโลกกลมแล้วศูนย์กลางโลกอยู่ที่ไหน สมเด็ดท่านก็้าดไม้ทาของท่านลงมาจากกุฏิแล้วก็ปักกรงดินหน้าบันไดกุฏิทัานพอาะศูกลางโลกอยู่ที่หน้ากุฏิของท่านนี่แลหละว่างนั้นบาดหลวงหนะ่ะหัวเลาะตาชอบใจหัวเลาะแล้วก็คิดอทีเออจริงของท่านด้วยเพราะว่าหาว่าโลกตลมแล้วที่กรงไหนมันก็ไปฝุนกศูนย์ถ้างใครเราเอาขนส้มมาขนหนึ่งะหรือว่าเอามะนาวมาสักขนหนึ่งเราเอาเข็มไปกีดตรงไหนแล้วลองลากเส้นสิลากเส้นไปหลอดหล่อสิ ไม่ที่สุดไอเส้นหลักนั้นนะก็จะมาสู่ไอจุดตั้งต้นได้เพราะมันก็มเพราะนั่นศูนย์กลางโลกก็แต่ที่จุดหมายกับจุดนั้นเป็นศูนย์กลางได้ถ้าหาว่าโลกกลมนะครับนี่คนโบราณยกร้อยกว่าปีมาแล้วก็ยังมีทัศนคตท้าทายกับคนต่างศาสนาที่มาลองภูมิลองปัญญาอย่างนั้นที่วัดตะขังเพราะฉะนั้นถ้าพวกนักเทวนิยมเขาพยายามเข้มกดชาวพุทธถามบอกว่าโลกเนี่ยนะเอามาจากไหนโอกาสโลกนี่มีมาจากไหนเรามาจากจุดนั้น เวราะวัฒนธรรมพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางอาวกาศตรงกันในข้อติว่าจุดตั้งต้นของสากลจักรวาลนี้ไม่มีขอบเขตหรือสิ้นสุดพระคนจักรวาลมันเวงว่างจะเอาปีมาประมาณก็ไม่ได้เอาเวลาเอาอายุไขอะไรมาประมาณก็ไม่ได้โลกมันเกิดแลว้วก็ตั้งอยู่ดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้หมุนเวียนเป็นวงกลมด้วยวันอันนั้น จุดตั้งต้นจุดเบื้องปลายของมันเบื้องต้นก็ไม่ปรากดเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏเนี่ยถึงจะติดตามเรลิสอภิญญาอะไรก็ตายสาวอย่างโรหิตตัปเทวบุตรที่ได้ทูลกับพระพุทธองค์ว่าในชาติตัวเป็นฤสีได้ใช้อภิญญาอิตทิเพราะเพื่อจะไปสอบสวนต้นต่อของโลกะที่สุดของตะกนจั ก, กรวาลอ่ะทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มีอภิน ญ, ญาเหาะได้เร็วอย่างนั้นยังไปตายตายแต่ต่างทางนั้นเองไปไม่ถึงที่สุดของตะกนจั ก, กรวาลเนี่ยพอเพ่งโลกไปในภายนอกมันเป็นโอกาสโลก เพราะฉะนั้นเราย้อนถามเขาเป็นปฏิบุจร์ฉาบอกว่าเมื่อพุทธศาสนามีทัศนะในเรื่องว่าวัตถุสงสารมาจากจุกอ น, นันต์อย่างนี้แล้วขอถามท่านผู้ถามหน่อยที่ว่าทัศนะของพุทธศาสนากับทัศนะของท่านนะ่ะอันไหนที่เข้ากันได้ ก, าาา ก, ากับหลักวิชาอวกาศกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้อันไหนจะขัดแย้งกันลองถามก็ดู ทาเราพวกเพิจารณาด้วยความคิดเห็นทำแล้วก็จะเห็นว่าหลักการในพวกศาสนาเนี่ยเข้ากันได้กับวิทยาการทางอาวกาศกับหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าพุกศาสนาในโลกที่ได้กล่าวมาถึงเพราะพระพุทธองค์ได้ใช้คําว่ า, าหน้าอุปโกติสั้งสาติเบื้องต้นของวัดตาไม่ปรากฏเบื้องใต้ก็ไม่ปรากฏวัดตักที่พระองค์เพ่งเนี่ยไ ม, ไ, มไม่ใช่โอกาสโลกไหมครับมันคืว่าตากที่เป็นล่าง ร่างกายยาววานาคือมันเป็นสังขารโลกคือชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งไม่ใช่โอกาสโลกรับไปนอกเพราะฉะนั้นวิทยาการทางโลกกระทักในพวกศาสนาเราจึงควรภูมิใจว่าหลักการของเราเน่ะไม่ได้ล่าหลังเลยเราได้ค้นพบจุดข้อเท็จจริงนี้ก่อนวิทยาศาสตร์จะเจริญถึงสองพันกว่าปีในสมัยที่นักวิทยาศาสตร์ของยุโรปในสมัยกลางที่พยายามคิดค้นว่าโลกนี้เป็นผลกลม แล้วก็มีวัฒนธรรมการมาจากหมอกเทิงซึ่งแตกมาจากดวงอาทิตย์อันเป็นหมอกเทิงใหญ่หลักการนักวิทยาศาสตร์ในโยุโรปสมัยกลางเมื่อคิดค้นอะไรขึ้นมาทฤษฎีเหล่านี้จะต้องถูกวงการทางศาสนาในครั้งนั้นในโยโุโรปครั้งนั้นคัด้านและพวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะถูกเอาตัวไปลงโทษตัดสินทหารชีวิตผลตะลังแเกดด้วยวิธีเผาไฟตายทั้งเป็นบ้างด้วยวิธีแขวนคอบ้างผู้รักษาบอกคือพระบาดล้ว น, น, นเลยไ่เป็นผู้ศากษา ในฐานะที่ว oh. ่าได้แสดงขัสนะขัดแย้งต่อข้อควาในคัมภีร์ไบเบิลแต่อาบุดการมันเป็นจุดตดังเพราะเช่นนั้นน่ะไม่เคยมีในประพุทธศาสนาเลยไม่ว่าจะาจะไปพลิกดูหน้าหน้าใดแผ่นไหนประเทศใดไม่เคยมีที่เป็นเช่นนั้นกเพราะว่าพุทศาสนาไม่จําเป็นจะต้องกระทาอย่างนั้นเพราะในเมื่อหลักการของวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเองกลับเป็นข้อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าวิทยาศาสตร์ที่เจริญมากเท่าไหร่ ก็เท่ากับเป็นสักขีพยานต่อความตัอสรุของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นอันนี้เราในฐานะเป็นนักเผยแผ่ก็ควรจะปลุกใจชาวบ้านโดยเฉพาะชนชั้นนักศึกษาให้ตระหนักถึงพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็พูดในคานองควรจะมีโปรพการดาบางเล็กน้อยคือพูดบอกว่าเราจะหาภาษาศาสตาองค์ไหนที่มีทศนิยมไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้ามีไหมถ้าไม่มีเราก็ควรจะภาคภูมิใจแล้วที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ ไม่ต้องเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจหรือปมด้อยว่าสถาปน์ของเราเนี่ยมีข้อคิดคำคลึที่ไม่สามารถเจ้าทันวิทย า, าศาสตร์มีน้ำตั้กับเป็นประปักษ์กับวิทย า, าศาสตร์อันนี้เราควรจะปลุกใจอ่าผู้ที่มาฟังเราเผยแผ่ในหมู่คนเหล่านั้นถ้าเขาก็เป็นชนชั้นนักศึกษาอยู่ด้วยคุณจะชี้เห็นข้อเท็จข้อจริงในกรณีอย่างนี้แล้วเราวควรจะใช่ปฏิบัติคุช า, ามผู้ที่มา พ, พวกนักเทว่าวิทยาในเมื่อเขาอ่าว่ามีพระเจ้าผูกฝั่งแล้ว เทคนิคในการที่จะใช้ปฏิบูชาถามก็อีกข้อหนึ่งว่าถามว่ามีพระเจา้าหรือเปล่พระเจ้าเป็นเหตุของโลกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถ้าเป็นเหตุของโลกแล้วอันใดทีเป็นตัวเหตุแสดงว่าอันนั้นจะต้องเป็นผลของเหตุอีกครั้หนึ่งอ่าอันนี้เป็นหลักของตรรกวิทยาหรือหลักรอยิกนะหลักรอยิกซึ่งโลกในทางวิทยาการรับรองแล้วสิ่งใดที่มันสามารถเป็นเหตุให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นผล มาจากเหตุอีกอันหนึ่งอสิ่งใดที่มาเป็นสิ่งใดที่เราถือว่าเป็นผลสิ่งนั้นก็ต้องมีเหตุสึ่งได้เป็นตัวเหตุสิ่งนั้นต้องเป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งย่อย้อนซับซ้อนลึกขึ้นไปกีละชั้นกีละชั้นเพราะฉะนั้นหลักตามอันนี้น่ะทางพุทธศาสนาเราจึงถือว่าพระนิพพานน่ะคนจากเหตุและผลพรนพพานไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลถ้ายังพระนิพพานยังถือว่าเป็นผลอยู่คือพระนิพพานมาก่อว่าเป็นผลของมรรคแล้วฮะ น, นิทานป้องไม่เทียงก็สิ่งใดเป็นผลอันผลมาจากเหตุสิ่งนั้นก็ต้องสามารจะเป็นเหตุให้เกิดผลอีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกับสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดผลสิ่งนั้นก็จะโต้เป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งยอกย้อนซับซ้อนแต่เข้าไปเหตุนั้นเมื่อพระพุทธองค์จะแสดงเรื่องนิพทานธรรมแล้วพระองค์จึงยกว่านิทานนั้น่ะพ้นจากความเป็นเหตุแต่พ้นจากความเป็นผลนะ มัคคิจเป็นเหตุโพลคิจเป็นผลของมัคแต่โพลคิจไม่เป็นิพพานตัวโพลคิจไม่เป็นิพพานมัคคิจกรบโพลจิตเอานิพพานเป็นอารมณ์ตัวมัคคิจกับโพลคิจเองไมเข้านิพพานนะเพราะฉะนั้นจึงแสดงว่านิพพานไม่ใช่ผลและก็ไม่ใช่เหตุนี่เราแสดงถ้าพัฒนาให้ง่ายอย่างนี้ก็เมื่อท่านถือว่าพระเจ้าผู้สล่างเป็นเหตุของโลกแล้วไม่หลักแห่งลอจิกคือปรรกวิทยาอันอันเป็นวิทยาการว่าด้วยเหตุผล พระเจ้าก็คือผลของเหตุอีกอันหนึ่งท่านจะยอมรับไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ยอมรับพระเจ้าไม่มีใครสร้างได้ถ้าท่านไม่ยอมรับพระเจ้าไม่มีใครสร้างได้พระเจ้าก็เป็นเหตุของโลกไม่ได้เพราะว่าในคาพูดสันเทงท่านบอกพระเจ้านี่เป็นเหตุเป็นผู้เป็นเหตุเป็นต้นเหตุของโลกเพาเป็นผู้สร้างผู้รังสิตถ้าอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องยอมรับโดยปริยายสิว่าพระเจ้าต้องเป็นตัวผลสืบมาจากเหตุอีกอันหนึ่งถ้ายอมรับไป่ลด้ เรายืนยันคำนี้ในเรื่องคำเหตุผลเหตุผลอย่างยืนยันรับแค่ในคำนี้กับเขาพระคัมภีร์บอกว่าไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับท่านก็ต้องไม่ยอมรับเหมือนกันว่าพระเจ้ามเป็นผู้สั่งโคือไม่ได้มีเกี่ยวมีเยื่อใยเกี่ยวดองอะไรกับโลกเลยถ้าเอาว่พระเจ้าไป็ผู้ให้กาเนิดโลกแล้วผู้พระเจ้ามันแหละจะต้องเป็นผลของเหตุอีกอันหนึ่งเหตุนั้นคืออะไรล่ะแสดงว่าพระเจ้ามันเป็นผู้สรพพัญยูหรือเป็นคู่สรพพสิทธิ์พราะว่ายังต้องเหตุมาจากเหตุรือลับอีกันหนึ่งต่อมา นั่นก็คือพระเจ้าจะต้องมีพ่อแม่บิดามารดาเหมือนกันเขาบอกพระเจ้าเกิดเองได้มันจะไม่ต้องอาศัยเหตุอาศัยผลหากเช่นนั้นทําไมท่านจะยอมรับทฤษฎีทางพุทธเราบ้างไม่ได้พราโลกเกิดจากลัทธนาการเกิดจากธรรมดาเกิดจากเพราะพระงไม่ใช่คําว่าธรรมถิปติธรรมนิยามเนี่ยโลกเป็นธรรมถิปิธรรมนิยามโดยไม่ต้องมีเขามือพระเจ้ายื่นมือมาเกี่ยวข้องไม่จําเป็นทําไมท่านยอมรับไม่ได้ ท่านติกับข้ทาทา่านพวกเราชาวพุธในข้อที่ว่าหาว่าพวกเราชาวพุทเนี่ยรู้จักแต่ผลไม่รู้จักเหตุฮนะบอกว่ า, าโลกอาจจะเกิดเองลอยลอยไม่ได้แต่โอ้ท่านเองนะงกําลังจะรู้จักผลไม่รู้จั ก, จก เ, หเหตุเหมือนกันถ้าหาว่าท่านจะยอมลับพระเจ้าซื่มาจากเหตุอีกันหนึ่งแล้วเราชาวพุทธยอมรับเหมือนกันว่าโลกนี้จะต้องมีเหตุอันหนึ่งอยู่เบื้องหลังแต่หาก็่าท่านจะยอมรับพระเจ้าซึ่งมาจากเหตุอันหนึ่งเป็นผู้เกิดเองได้แล้ว เราชาวพถือว่าโลกนี้เกิดโดยหลักธรรมดาคือหลักธรรมธิชัรรมยามตาดะเห้นกันฉะนั้นท่านจึงไม่ควรจะมาตั้งข้อกลับตระวาดหากักล้างจู่โจมเราชาวพุทธหาว่าพุทธศาสนาเรามีไม่รู้จักพระเจ้าผูา้สร้างเรารู้จักพระเจ้าผู้สร้างพระหาวก็จะมีนะพระเจ้าผู้นั้นคืออวิชชาในฐานะที่ว่าอวิชชาเป็นบ่อกเกิดของชีวิตของความของวัฏสงของความดวงวิ ญ, ญญาณที่คำวิเวียนว่ายตายเกิดอวิชชา ฐานะเอาพระเจ้ า, า, า, จ, าจะมีอยู่ฐานะเอาพระเจ้านัาา้ น, นชาวพุทธถือว่าเป็นอาวิชาซึ่งไม่ใช่สําหรับหน้าที่เราชาวพุทธต้องมาอ้อนวอนบูชาตรงข่านเราชาวพุทธถือว่าอาวิชานี่เป็นตัวที่ที่จะต้องถูกทำลายไปเพราะเป็นบ้นเล่าแห่งความทุกข์นานับประการของสัตว์ตะวันตกทิฏกะท่านาสรรเสริญยนยอผู้ที่สร้างภพให้กะท่านคือสร้างโลกโลกคือความทุกข์พระเจ้าจผู้สร้างโลกนะั้นได้สร้างโลกขึ้น ยามให้ความสุขสมบูรณ์ทุกประการหรือหรือว่าส้างทั้งความทุกข์มาห้ด้วยถ้าโลกนี้มีแต่ความสุขขารมณ์ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายก็น่ายจะอภิรม์ชื่นชมสุนุดีพระคุณของพระเจ้าหรอกแต่ตรงกันข้ามโลกนี้ไม่เคยมีสิ่งที่น่าอภิรม์อยู่ทุกเมื่อเชื่อยามนะประเดี๋ยวแผ่นดินไหวประเดี๋ยวโลกกระบาดนี่ความทุกนานักะตะการของมนุษย์โลกใครไขรเจ็บใครสร้างมาใครบรรลัย ถึงนั้นมาจากอะไรนี่เราถามอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราท้าทุกที่จะไปอ้อนวอนกราบไหว้ท่านผู้ที่บรรดาลให้มีโรคไข้ไขเ้เจ็บให้มีโรคติดต่อให้มีไอ้วาให้มีตัวโรคพารพิษโรคจับฟันให้บันดาลให้ผนดินไหวให้บันดาลในน้ำท่วมเราไปกราบไหว้ไม่ลงคอหรอกท่านผู้กระทําบรรดาลอย่างนั้นเราทำกราบไหว้ไม่ลงคอนี่เพราะฉะนั้นทศนะเขาท้า พ, พุกพระเจ้าก็คืออวิชชาพระเจาาา้าและฐานะสร้างโลกก็คืออวิชชาอวิชชาคืออะไรคือวางโง่ ความอัญญานความไม่รู้ความจริงของชีวิตนี่ซึ่งเป็นสิ่งจุดแรกที่นักปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาจะต้องกำจัดไปเรามีวิธีโต่อต่อระนักวิทยาเทนักเทวะวิทยาอย่างนี้ในที่นี้ผมอยากจะเสนอหนังสือที่มีค่าเยี่ยมที่ถ้าคุณเจ้าทุกทูกควรจะมีประจำยามทุกเล่มทุกๆุกทอย่างไปในกรณีจะไปต่อต่อไพวกนักเทววิทยาเขานะ ผู้บาดหลวงผู้มิชันนรี่แพ่ศาสนาเขาจะมาอย่างยีผู้จะศาสนาโดยมาทาโบวาทีหรืออะไรแล้วเราควรจะมีหนังสือคู่มือเล่มนี้พผู้นีนินมนต์ไปซื้อเลยที่ว่ามหาธรรมนี่แหละตอปัญหาหลวงผู้ชื่อหนังสือว่าตอปัญหาพระผู้เป็นเจ้าโดยพันเอกดีเกอร์โซนสีมหาจุฬาล่าข้องจำหน่ายหนังสือมหาจุฬาจะเป็นผู้จําหน่ายเล่มเกตบารควรจะมีทุกเล่มอยู่กับตัวและนิมนต์พยายามอ่านถ้สามจบ ย่าอ่านจบเดียวอ่านที่สามจบก็จะประทับใจจะได้จำมาไว้ ANS, แล้วตอนนี้ต้องจัดกลมเม็ดเม็ดชายที่จะไปปลุกปลุนักเทวาวิทยารับรองหงายหลังตึงเลยโด <IS> <secure> so <losers> นข้อครามนี้ไปโทษครับไม่ต้องกลัวครับข้อความนีไม่ต้องกลัวต่อปัญหาพระผู้เป็นเจ้าครับชื่อหนังสือว่าต่อปัญหาพระผู้เป็นเจ้าโดยพันเหอกอินเกโซนพันเอกอิงเกร์โซนนี่เป็นชาวอเมริกันเป็นลูกหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันแล้วก็ แต่หนังสือเล่มนี้ขึ้นคัดค้านข้ขอความในคำพีไบเบิลตั้งแต่หน้าต้นกะทั้งหน้าสุดท้ายและข้อความที่คัดค้านนะั้นับมาสลับสนุนทฤษฎาศาสนาโดยการย้ายทั้งที่แกไม่ได้รับสือพุนะและแกไม่มีความรู้ทฤษ า, าศาสนาเลยแต่แกเป็นนักเหตุผลนิยมแกบอกว่าแกรับสื่อศาสนาที่ตะเลียนไม่ได้เพราะอะไรและแกก็เอาเรื่องข้อความในไบเบิลน่ะขึ้นมาแฉปอยทีละข้อทีละข้อทีละเปราะทีละเปราะทิะ้งเอาไวะ้ใครแปลก็ไม่รู้ ผูแปลไม่ได้ใช้น้ไม่ไม่ได้ออกชื่อออกเสียงในหนังสือเก่าทีม่มาตั้งสามสิบกว่าปีสิบปีแล้วแล้วต่อมาในในงานฉลองสมณาศาสตร์ของท่านเจ้าคุณราชิมิสุสิเมทีเกี่ยวอุปเตโนซึ่งเป็นพระอาจารย์ในมาหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยอ่าก็มีพันดาลพระนักศึกษาพิมพ์ถวายแสดงเป็นการแสดงมุติตาคารวะ แล้วก็เลยส่วนหนึ่ Ζ งก็เลยจำนายมีจำนายมีมูลคุณในตื้เราไว้นะครับเลยมีขาไม่ได้นะเราจะไปนักโทษต่อตะกุกที่ตะเทียนสถานหนังสืเล่มนี้มันจะ um ได้รู้เท่าทันกุลเม็ดเด็ดพายครับก็มียังไงปะหนังสือเล่มนี้นะมันจะชาวพวกเขียนพวกคิดเขาเขียนปัะนามพวกเขาเองอ่าไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเลยนย่านี้เป็นคําพูดจริยธรรมที่สุดเออถ้าเขาเป็นคนต่างศาสนาอื่นเขียนมันก็เขาปรับเอียงศาสนาตัวใชนะหมดีแต่จะยกย่องศาสนาตัวดีศาสนาอื่นเลวแต่นี่เป็นยังไงนี่ มีคนในาศาสนาเขาเองเขียนเขาไม่พอใจในาศาสนาปัจจุบันเขาถูเราะเขาเขียนขึ้นแล้วตูคนนั้นก็เป็นนแลไม่ได้นับถือศาสนาใต่ายในโลกด้วยเป็นคนนั้นเขาบอกเขาเป็นนักเอกชนนียมเราจรึงควรจะมีประจักษ์นะนี่มี ม, มูลในซื้อแล้วตอนนี้เราพูดมุกมาอีกมกมาในข้อที่ว่าเมื่อแสดงในเรื่องของโอกาสโลกว่าเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตสังขารและโลกโลกคือชีวิตในหลักพุทธาศาสนาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาท หลักปฏะจจตัวประวัติเนี่ยหลักในข้อนี้มีข้อที่สำคัญก็คือว่าคําว่าอาวิชานคนมีท่านผู้หนึ่งเป็นบัณฑิตที่ใครๆก็รู้จักชื่อเสียงบัดนี้รว้ลับไปแล้วท่านแปลประว่าอาวิชาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้อาแปลอย่างนี้เข้าใจผิดนะถ้าอวิชานแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วพอพระองค์ก็ดับในสิ่งซึ่งพระองค์นก็ไม่รู้ว่าอะไรดับอะไรก็ ไอ้ไอ้ดับวิชาก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันดับอะไรลงไปบ้างก็ไม่รู้ไม่ได้พระวิชาไม่ได้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นคุนั้นแปลอ่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณนั่ไม่ใช่ใครแล้วครับให้เอ่ยชื่อกดด่าคือคุณลุงวิกิตบาปตาแลัวแหละแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้แปลอย่างนั้นพระวิชาไม่ได้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้พระวิชาเนีะยไม่ใช่ไหมผมไม่รู้อะไรเลยรู้แล้วกันคือว่า รู้แต่ว่ารู้ไม่ถูกสภาวะนั่นและอวิชชารู้ไม่ถูกสภาวะรู้ว่าไม่รู้ยกตัวอย่างนะฮะผมกำมือไว้กำหนึ่งเนี่ยแล้วให้ท่านทายท่านรู้ไหมว่าในกำมือผมมีอะไรท่านก็บอกว่าไม่รู้แต่ที่ท่ไม่รู้ท่านก็รู้รล้วรู้นะฮะคือรู้ว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ในนี้มีอะไรไม่ใช่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้รู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่ถูกกับตัวสภาวะ ไม่เป็นความรู้อวิชชาคือความรู้ที่ไม่ถูกต้องกับสภาวะธารมเป็นจริงไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้อะไรทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นคําว่าอาวิชชาปัจยาสังขาราในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจคําว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีศัพท์เทคนิคในทางธรรมะที่ใช้สองคำเนอะก็ สมุปปาเอันหนึ่งปฏิจจสมปุปปนาธรรมอีกอันหนึ่งของอันเดกัปฏิจจสมุปปาธาธรรมคือทรรซึ่งอาศัยความประชุมเพร้อของเหตุปัจจัยเกิดขึ้นปฏิจจบวกอุ ป, ปาธาคือธรรมอันประชประชุมธรรอันอาศัยความประชุมพราะมขอเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหรือเป็นไปอยู่ ชื่อว่าปฏิจจสมุปปาธรรมส่วนปฏิจจสมุปปนละธรรมอีกข้อหนึ่งนั้นคือมาวิเคราะห์ฝึกวาปฏิจจบวกอุปปันะหมายความว่าทำทันเกินต่อทำซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยประชุมพร้อมแล้วเกิดขึ้นอายุตัวอย่างเช่นอวิชาเป็นปฏิจจสมุปปาธรรมสังขารเป็นปฏิจจสมุปปนละธรรม ในขณะเดียวกันสังขารก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนะธรมรมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุ ป, ป, ป, มาปาาาบาทธรรมนามรูปเป็นปฏิจจสมุปปนะธรรมแปลว่าปัจจัยการทั้งสิสององค์น่ะแตละองค์แตละองค์ล้วนเป็นทั้งปฏิจจสมุปบาทธรรมด้วยเป็นปฏิจจสมุปปนะธรรมด้วยในตัวของมั น, นเองแต่อย่างนี้คือว่า ยังประเด็นที่ผมพูดว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งนั้นมันก็เป็นผลในตัวมันเองซึ่งเกิดจากเหตุอีกอันหนึ่งนี่ตรงกันหลักอันนี้แหละตรงกันหลักที่ว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมกับปฏิจจสมุปปั น, นธรรมตรงกันอันนี้เพราะฉะนั้นคําว่าเอาวิชาปัจญาสร้างฆ่าราในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีแต่้ความไม่รู้อย่างเดียวหรือหมายความว่า มีให้ความไม่รู้ก่อนถ่ายหลังจริงมามีบินปฏิสนธิบิญญาณไม่ใช่ในขณะที่ปฏิจญาสมมติประบาทเริ่มต้นที่อวิชานั้นอะไรไม่รู้อะไรที่มันไม่รู้สภาวะตามเป็นจริงอะไรละ่ะสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือจิตนีแหละจิตจิตนีแหละจิตหรือวิญญาณเป็นผู้ที่มีรู้สภาวะถูกต้องตามเป็นจริงก็งแปลว่า ในเงื่อนต้นของปฏิจจสมุปาบาทบาสนั้ น, นามีคำว่าเป็นอวิชชาแปลว่าในอวิชชานั่นแหละมันซ่อนซ่อนอะไรขณะดที่กล่าวเป็ อ, อวิชาขนาดนั้นต้องหมายถึงองค์ธรรมอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นทําหน้าที่เป็นประธานทําหน้าที่เป็นประธานอาวิชชาก็จะเปลียนเรียเป็นกิริยาเป็นกิริยานะครับกิริยานี่ยจะต้องมีกพระการะว่ราะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของเจ้าของกิริยานั้นแลน้วกรรมะไม่ได้แก่อะไรจิตพราะว่างนี่แหละไม่ใช่ใครเพราะว่างกับจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นพว่างนี่แหละเป็นตัวที่คุ่มเป็นตัวที่เป็นตัวที่โอบอุ้มอวิชชา้าจะว่าางตังระยะอธิษฐานอวิชชาเป็นเจตสิกธรรมมุหาเจตสิกเป็นมุหาเจตสิกอวิชชาเนี่ยเป็นเจตสิกธรรมเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นเจตสิกจะทำแล้วในที่ใดมีเจตสิกะในที่นั้นก็ต้องมีจิตเจตสิกจะเกิดขึ้นโดยปรากจากจิตเป็นประทัดฐานไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงได้วิเคราะห์คำว่าเจตสิกว่าเอกุปปาทานิโรธาจากเอกาลัมหนะวัตถุกาเจโตยุตตาจวิปัญญาตะธรรมาเจตสิกามาตาเอขุปปาทานิโรธาจะเกิดขึ้นกระดับไป องเดียวกันคือเกิดเกิดพรกับจิตดับกระดับไปพรกักจิตเอตาลนะัณะวัตถุกามีอารมณ์อันเดียวกับจิตเจตยุตตาดวิปัญญาสัพพมยุตตจิตห้สิบสองดวงทวิปัญญาทรรมาเจตสิกามาตาเวลาจะตายสบายพรไปตะจิตด้วยนี้แหละชื่อว่าเจตสิกกะทัพน่เพราะฉะนั้เนเมื่อเอาวิชาอเป็นหนึ่งต้นของวัตถะเป็นโมหะเจตสิก ผมครอบเข้าในอนกุศลเจตสิกแล้วจะมีเอาเจตสิกธรรมเฉยๆไม่ดอจะต้องมีองค์ธรรมที่เกิดพร้อมโลกเจตสิกนั้นองค์ธรรมนั้นคืออะไรคือผวงังผวังขจิตเพราะเหตุที่ในผวังอันมีสาอะธรรมหรือปะปันจะธรรมเป็นเครื่องเป็นว้าเป็นเหมือนน้ำฝาดเข้ามายอดเหตุนั้นจึงได้ปรุงแต่งภพชา ให้สืบทอดสืชาติได้ต่อไปต า, ตามหลักของตาําราท่าอธิบายคําว่าอาวิชชานะได้แก่ความไม่รู้ในอารยสัพท์นะฮะแล้วก็ความไม่รู้ในกรรมในความเป็นไปของศัพท์ว่าอในอดีตปัจจุบันอนาคตชื่อเป็นลักษณะของอวิชชาเพราะฉะนั้นผู้ที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ไม่รู้ในสิ่งเหล่าเนี้ผู้นั้นก็คือจิตจิตนี้แหละเป็นผู้ที่ไม่รู้ นี่ถ้าอย่างนั้นแล้วอวิชามาจากอะไรละ่ะถ้าจะสืบหาต้นตออวิชามาจากอาสวะอาสวะสวนังสมุติปารดาอวิชายาประวะัตตินี่เพราะเหตุแหความเกิดของอาสวะอวิชาจึงได้มีพฤติพฤติกรรมเป็นไปแล้วท่านบอกไว้วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกเกดาทขออวิชาคืออาสวะ อาวิชา ย, ยังมีต้นกําเนิดคืออาสวะและอาสวะมันจะเกิดกับอะไร mm. ก็เกิดกับจิตสิเพราะว่าอาสวะนับแปลว่าเครื่อ mm. งหมักดองมันจะหมักดองอะไรล่ะก็ต้องหมักดองในพื้นจิเจ็ตเนี่ยเป็นอุปมาวิจิตเนี่ยเหมือนกับขวดนะอาสวะเหมือนน้ําในขวดนั้นเป็นน้าําหมักน้ําดองในขวดนี่ถ้าจะเปรียบอันประกอบด้วยกามาสวะสวะสวะอิทธิพาสวะแล้วยังมาลงตัวอาวิชายสวะอันนี้ เพราะฉะนั้นเงื่อนต้นของวัตถะถ้าจะซึบสาวเราเรื่องไปแล้วก็อยู่มะลงที่กิตนี่แหละพราะจิตมีอัญญาณประกอบด้วยสาโมหะคืออวิชชาจึงได้ปรุงแต่งสังค์ให้ปรุงแต่งสังขารอวิชาปัจจญาสร้างทาลาจึงได้ปรุงแต่งสังขารสังขารในที่นี้นะท่านหมายเอาปุญญาผีสังขารค่ะปัญญาผีสังขารอเนชาผีสังขาร ต้อสังขารสามไม่ข้อนี้เราต้องทาความเข้าใจคําว่าเหตุกับคาว่าปัจจัยซะก่อนเหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไรคําว่าปัจจัยน่ะว่างมากว่างกว่เหตุเหตุน่ะตานหลักของพระบิดามท่านจำกัดลงเฉพาะมาทําอย่างเดียวนะใช้ใสำหรับเหตุรูปธรรมไใช้เหตุส่วนปัจจัยน่ะใช้ทั้งรูปธรรมนามธรรมแปลว่าปัจจัยน่ะมีอนาบริเวณกว่า แกเหตุหกมีโลภเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเท่านี้หมดหึเหตุแล้วนี่เป็นเรื่องเหตุถ้าจะชี้คำว่าเหตุแล้วก็ให้หมายถึงหกอันนี้อโลภาโทสะโมหะอโลภะโทสะโมหะนี่เหตุหกกันนี้นอกกว่านันไม่เป็นเหตุถ้าจะเป็นเหตุก็เป็นโลกสมุติไปไม่ใช่เหตุในพระปรมาภิษฐ์แต่คำว่าปัจจัยนั้นกว่า ว่าทัรูปธรรมทั้งนามธรรมใช้ได้เป็นสาทานหมดปัจจัยต่างกว่าเหตุอย่างไรปัจจัยแปว่าเครื่องสนับสนุนสิ่งมากสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่มาสนับสนุนให้เกิดส่วนเหตุนับเป็นไมยถึงว่าบ่อเกิดโดยตรงปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนเครื่องสนับสนุนเนี่ยมีมากมีมากเหลือเกินท่านจึงสรุปว่า มีปัจจัยยี่สิบสี่สรุปแล้วลงในปัจจัยยี่สิบสี่ประการในปัจจัยยี่สิสี่ประการนั้นมีทั้งที่เป็นนามธรรมตรูปธรรมหมดอยู่ในนั้นหมดมีหมดแต่ว่ า, าข้อสำคัญนั้นน่ะอยู่ที่เหตุเพราะคนเราถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วที่ไหนจะมาปรุงแต่ง้าติทบที่ไหนจะมาเวียนไหวเตายเกิดให้ไอ้เจ้าปัจจัยมาเป็นแรงสนับสนุนปั๊มเปิดม่อีกทีหนึ่งเ้ราเหตุนั้น เนื้อท่อยกระทงกว า, ามที่สําคัญก็มาลงอยู่ที่เอกิเลสฝักองนี่เนี่ยสําคัญเหตุนั้นท่าจริงใช่คำ<บ>ว่าเหตุในที่นี้เพราะฉะนั้นเอาวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารนี่ได้แต่เจตนาอันเป็นบนุญอันเป็นบาปแล้วแต่เจตนาที่เป็นอนเนินชะ า, า, าบุญญาปิ ส, งสังขารถบุญญาีิฝังสังขารอเนินชาีิสังขาร ปุณ ญ, ญาติสังขารน่ะนที่นี่มีมีข้อพิเศษข้องามทั้งมากุศลตัมมตะกุศลฝ่ายรู ป, ปาวจรคือว่าในกาม า, มาวจรกุศลครอบหมดยังครอบถึงรูปาวจรกุศลด้วยเจตนาอันเป็นไปในกามาจรกุศลทั้งหมดเจตนาอันเป็นไปในรูปาจรกุศลทั้งหมดชื่อว่าปุญญาติสังขาร ชื่อว่าที่ชื่อว่าปุญญา พ, สสาพิสังขารนะครับส่วนอนเนชาพิสังขารนั้นท่านหมายเอาอารูปารจารกุศลเจตนาที่เป็นไปในอรูปาราจารกุศลเป็นเป็นอนเนชาพิสังขารส่วนอปุญญาพิสังขานันญญาานน้นคือเจตนาอันเป็นไปในอกุศลจิตสิบสองดวงอันนั้นเป็นอปุญญาพิสังขาร เพราะนั้นคำวาสังขารในความหมายทางพาาุทธศาสนาท่านก็ใช้โดยหลายในยักษ์หลายหลายโดยโด ย, โดยหลายในยักษ์คือสังขารกว่าที่หมายถึงว่าสภาพะใดที่อาศัยเหปัจจัยปรุงแต่สตงสภาพนั้นชื่อว่าสังขารนิทา น, นหนึ่งแล้วสังขารที่หมายแคบล้นคาอีกคือสังขารในขันหาสังขารในขันหานะ่ะท่านหมายเอาเจตสิกธรรมทั้งหมดชื่อว่าสังขาร ไม่ใช่สังขารกว้างอย่างข้างนอกไม่ใช่มาเป็นเจตติกระทังสังขาระขันสังขารระคันในขันหาน่ะคือเจตติกะทังนะทั้งหมดเป็นสังขารระคันยกเว้นเว้นอะไรเว้นเวทนาเว้นสัญญาความจริงเวทนาขันกับสัญญาขันเนี่ยก็อยู่ในสังขารระคันนั่นแหละท่านจะว่าไปแล้วเพราเวทนากับสัญญาอะเป็นเจตติกะทังเป็นสัพจิตตบารณนะเจตติก คือว่าเกิดชนิตพบกดวงมีหมดเวทนากับสัญญาแต่เห็นขนาดคนสัญญกออกมาเป็นขันล่ะเป็นสัญญาขันกับเวทนาขันต่างหากรวมเป็นขันหน้าละ่ะก็เพราะว่าอนุภาพหรือกิดกิดของเวทนากับสัญญานะ่ะมีมากกิจมันแรงทําหน้าที่แรงจัดกล้าแข็งมากถ้าเวทนาทําหน้าที่เสวยสัญญาทําหน้าที่จําหมายหน้าที่มันทนําน่ะมันแรงถ้าจะว่าแล้วมันก็ดีกว่า เป็นยาตามที่สอดแทรกไปทุกหน้าที่จะต้องมีมันเข้าไปด้วยเหตุที่มันกิดมันมีมันมีมากพระองค์จึงได้ยกหน้าที่ของมันออกมาเป็นอีกกองหนึ่งเป็นเบทนาขันสัญญาขันต่างๆความจริงอยู่ในก็อยู่ในสังขารนัพราะเป็นเจตสิกธรรมนี่อันนี้ ส, สังขารในขันหานีาน่ก็เป็นเจตสิกธรําอย่าไปเชื่อสังขารข้างนอกสังขานในขันหนานี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชตโต๊ะโต๊ะกระโถนใสป่ปลา พระผมในภตัวตก็เป็นสังขารเหมือกันแต่เป็นสังขารสังขารในไตรลักษณ์คือเป็นสังขารชนิดที่ดีกว่าอาศาายัยปัจจัยปรุงแต่งก็ต้องแตกตับแต่สังขารในขันหานน่ะรุ่นเนื่องกว่าในี่รุนแพ่ประมาณมาต้องเจตติกระทำส่วนสังขารในปติกะสมุประกอบนั้นหมายเฮาเพียงเจตนาอันเป็นไปในฝ่ายกามาวจรลูปาวจรลูปาวจ ร, วจรเจตนาที่มีกิเลสเป็นปทับสถาน เนานกิเลสนมาตรฐานนะเราบอกว่ า, าสรรมต้เด็กมาจากเจตนาพูดอย่างนี้เป็นเยหูยนายเป็นเยหูยนาอเราถ้าจะพูดในกระชับกระชับเราก็ต้องพูดแ ว, ว่ากรมใที่เกิดจากเจตนาอันขอรคขอรกิเลสกรรม้จึงจะเผ็จผลคือวิบากกระทำที่เกิดจากเจตนาลาพัเจตนาอย่างเดียวไม่แน่จะเผด็จผเป็นวิบากเสมอไปเพราะอะไรเจตนานี่ก็เป็น สาทานนี่เป็นเกจติกสาทานเนี่ปเกจติกเพราาริยาบบุคคลว่าทหารก็ต้องมีเจตนาไม่ไม่ไม่ไม่ีเจตนาจะทำถูกหรอกอย่างเช่นถ้าทหารเนี่ยอท่านจะไปช่วยเหลือใครจะไปเทศโปรดใครท่านก็ต้องตั้งเจตนาไ้ก่อนว่าจะไปเทศโปรดคุณคนนั้นจะไปเทศตอนคุณคนนั้นไม่เจตนาไปก่อนแล้วคนเราจะห้ามว่าโอ้นี่เจตนางั้ว่าทหารก็ยังมีกรรมมาสิท่า น, นก็ต้องไม่มีบากไม่ได้เจตนาใดที่สหราชุ ด้วยกิเลสตัณหาเจตานานั้นจึงคํานวยเดผดพันคือวิคือวิบากถ้าเจตานาใดไม่ส่อรคตด้วยกิเลสตัณหาแล้วเจตานาอันนั้นก็เป็นอภิยากตะตังกลางพยากรณ์กุศลอกุศลไม่ได้เนยเพราะฉะนั้นเจตานาในสังขารในปฏิจจสมุปบาทในที่นี้เราต้องย้ำจะชับลงไปว่าเป็นเจตานาอันาะส่อรคตด้วยกตัณหา อันเป็นไปในรูปะเนกา마วจรรูปะวจรรูปะวจรทั้งหมดนี่อันนี้ถึงจะเป็นเป็นเป็นเป็นอวิชชาปัจจยาสร้างคาราและสร้างคาราปัจจายาวิญญาณัถึงถึงถึงจะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณได้วิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเขาว่าสังขารในปัจจัยเกิดวิญญาณในที่นี่หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ เหตุนั้นค่านจึงจับเอาอวิชาจับปังขานเป็นเป็นอตีตาอัฏฐาเป็นอตีตาอัฏฐาคือว่าเป็นอดีตเป็นองค์ธรรมของอดีตนะเรามีอวิชาเป็นเชื้ออยู่ในภวังเป็นเหตุให้เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตขึ้นจากภวังมาสวยอารมณ์ทางทวารหงในขณะที่มาสวยอารมณ์แล้วเพราะ อำนาจปัญหาโตตัคือกระแสปัญหาที่ว่าปัญหาโสตักระแสงปัญหาเนี่ยถักดันเมื่อทําอะไรประสบอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจและที่เป็นกลางๆก็เกิดเจตนาอันเป็นตัวสังขารอันเป็นไปในฝ่ายปุญญาทีสังขารและปุญญาทีสังขารหรื่อเนนชาทีสังขารเกิดขึ้ น, เ ม, เ, นเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาศัยสังสังขารทั้าสากองนี่แหละเป็นผู้ปรุงแต่งให้เกิดปฏิสุที่วิ ญ, ญญาณ อันเป็นปฏิจจสมุปบาทเบอรที่สามคือสังขารปัฏิยาวิญญาณ่คือตัวปฏิสุนทิปฏิสุสททิวิญญาณโดยตรงธรรมดาตัวปฏิสุนทิวิญญาณถ้าอาว่าเป็นไปในฝ่ายกลาม้าเจอร์พบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพบที่เป็นอัปปองอส า, ายขราบูชาําเนิดเราไม่อธิบายถึงโอปปาติกะละเพราะเราจะอธิบายถึงภูมิมนุษเห็นกันง่ายหน่อยอันเป็นส่วนขราบูชาดำเนิด ในส่วนนี้ปฏิสมธัติวิญญาณจะเกิดต้องอาศัยการชะตายการชะตายนั้นก็คือตัวกัลละรูปอันเป็นปฐมกาละละน้ำเชื้อของบิดามารดาในปฐมกาละละร่างกายของมนุษย์ในชาลาภุชา่ากำเนิดนั้นร่างกายอันนี้นเป็นผลของจากเลือดเนื้อเชื้อา ย, ายของบิดาม า, ด า, มารดามาผสมผสานแต่ผู้ที่มาครองอ่าไม่ได้เกิดจากบิดามารดาผู้ที่มาครองร่างนั้นเป็นตัวของเราเอง ปฏิชนที่วิญญาณไม่นขนาะที่ปฏิชนที่วิญญาณอย่างลงสู่คันของมารดานั้นขณะนันนน้นพร้อมกับปถมกับเราได้ตั้งขึ้นสมานเสมอแต่ว่าท่านทรายจะต้องทราบนะครับว่าปฏิชนนี้วิญญาณนะ้ำไม่ใช่มาเฉพาะโบมัอันเดียวมันพาเอาเล่าวิชนิตหนึ่งมาด้วยนะในเวลาเกิดน่ะเวลาเกิดของมนุษย์ในปัญจวูร์กาลภพนี่ได้พาอะไรมาเกิดไม่ใช่เอาน้ำมาเกิดอย่างเดียว เอารูปมาเกิดด้วยรูปนั้นคืออะไรกรรมรัชรูปโลกที่เกิดแต่กรรมโลกใหม่อาหารรัชรูปกับอุตุรัรูปนะเราหักมหาในพบปัจจุบันอุตุรัรูปกอาหารรชรูปมหาในพบปัจจุบันนะครับส่วนกรรมรัูปนั้นพามาแต่อดีตภพอดีตภพก็ปรงมาเสร็จปรกมาเสร็จทีเดียวพระญาติบารแห่งเห็นชัดยิ่งกว่านั้นเป็นว่าในกอจะใกล้ตายล่ะ เจ็ดหนักเข้าขั้นโคม่าไอ้ตอนโคม่านี่ประรันาวิถีเกิดแล้วประรันาวิถีจิตเกิดในขณะที่คำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกบางกนอาจจะก่อนเข้าโคกำากำก้กำกำกำกำกำกำกำ4วันเรียกว่ า, ร า, า, า, ากรกำกำกากำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกจะตายหำกำกำกำกำกำกำลำกำาำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกกำกำกำกกำกำกำกกกำกำมำกกำตำกำกำกำกำกำกำกำ คือกรรมอารมณ์อันหนึ่งอารมณ์อันเกิดอารมณ์กรรมตามอนิมิตอารมณ์อารมณ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งกรรมแล้วก็คตินิมิตอารมณ์อารมณ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งการถือกําเนิดในภพหน้าสามอย่างสามอย่างนี้มันจะเกิ ด, ดพร้อมกันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมควรจะถือเอาเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งกรอารมณ์ เป็นไปในส่วนมโนทวารอย่างเดียวกรรมใิมิจฉารมเป็นได้ทั้งทวารทั้งหกเกิดได้กรรมในมิจฉารมณเนีเย่ยเกิดได้ทั้งทวารหกนะขตินิมิจฉารมน่ะเป็นได้ด้วยเป็นได้บา ง, บางอาจารย์ถือว่าเกิดกับมโนษทวารอย่างเดียวบางอาจารย์ถือว่าแม่นอกกว่า น, นี้ในทวารอื่นก็เกิดได้ไม่แน่กรรมอารมณ์่ะตัวอย่างเช่นอยู่เวลาเจริญบรรลักษณ์วิธี จิตใจเศ้าหมองอย่างหาต้นสายปลายเหตไปด้เศ้าหมองหงุดหงิดทุนทุรายอาการทุรทุรายนี่มันจะตรุรนทุรายจากโรคภัยไข้เจ็บนะหรื อ, รอถึงแม้ว่าเกิดจากโรคภัยไข้เก็บก็สงเคราะห์เป็นกรรมอารมณ์ได้เพราะว่าเมือ่อคนที่จะตายด้วยโรคทรมานมากๆเนี่ยต้องถือว่ามีวิบากอากุศลตายไม่สบายตายไม่สงบหรือมีอาการทรมานมากมาย อย่างคนเป็นโรคมะเร็งตายเนี่ยแมมทรมานตาอักตั้งเกินทรมาและทั้วินาณทีสุดท้ายจะขาดใจคนเป็นโรคมะเร็งนะมะเร็งในคอยอย่างนี้แหมทรมานมากป้อนน้าป้อนข่าวหรือคนที่เป็นอ่าโรคกลัวน้ําตายเวลาคิดคิดโรคกลัวน้ามันขึ้นสมองเนี้ยถอนเป็นสุนัขคลางเป็นสุนัขนี่เหมือนหมายังไม่ทันตายเลยเป็นนี่นะชันทั้งเป็นแล้วลงไปคานสี่ปีนึงกับหมาแล้วหอนเสียงเหมือนหมาน้ําลายภูมปาก อโรคโควาิาเนี่ยมันเป็นแรงๆในบางรายมีไม่ทุกรายไปบางรายก่อนซึมแล้วก็ตายไปก็มีซึมๆหลังแข็งคอแข็งอยู่ได้สองวันก็ตายบางรายนะแต่ไอ้บางรายก่อนจะตายนะอุย้ยหอนตั้งสองวันสองคืนกว่าจะตายแมมชาวบ้านชาวท่องฟังแล้วขนพองสยองกล่าวขอนตึงเสียงสุนัขพิษหมาบ้านขึ้นสมองทําลายระบบประสาทหมด อย่างนี้ถ้าหากว่าอารมณ์จะพึงเกิดกับคุณคนนี้เวลาจะตายแล้วหามว่าเป็นกรรมอารมณ์แล้วก็ถือเอาอาการที่ใจนะ่ะทุรนทุรายอาการใจที่เกิดวิปัสสาเนี่มีความสุขจะเกิดจากคิดโลก็กกาตามจะเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในภายในก็าตามนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็มาอยู่รวมกันอยู่ที่ใจนั่นแหละถทำไมมีใจเสวยแล้วที่ไหนจะรู้สึกอย่างนั้นดมอยู่ที่ใจนั่นแหละเกิดอาการทุรนทุรายอย่างนั้นแล้ว จิตในขณะนั้นนะ่ะก็ยึดเอาไอาอารมณ์นี้อันเนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นที่เกาะเพราะจิตของบุคคนกับพระอริยเจ้าเบื้องต่ำจะไม่ อ, อะไรจะไม่ยึดอะไรเป็นไม่มีขึ้นเชื่อว่าจิตแล้วจะต้องมีอารมณ์ให้ยึดอันนี้เป็นหลักตายตัวของหลักปรมัติตจะต้องมีอารมณ์ให้ยึดนะะเพราะฉะนั้นเมื่อคนณคนนี้ยึดแล้วจุติจิตจําหน้าที่ จิตที่มาทำหน้าที่น่ะให้เข้าว่าทําหน้าที่ดับภพในภพนี้เลิกกันทีเลิกกันดับภพในภพนี้ก่อนถ้าจุติจิตไม่ไม่เกิดตราบตายตรากนั้นตายไม่ลงไม่มีทางตายได้ถ้าจุติจิตไม่เกิดมันตายไม่ลงจุติจิตน่าเกิดเพื่อจะทําหน้าที่ดับดับภพดับภพปัจจุบันทาหน้าที่บอกหมดเรื่องกันทันทีหมดเรื่องกันแล้วภพนี้พอจุติจิตดับไปแล้ว จิติกิตตับไปแล้วปฏิสุนที่จิตเกิดขณะต่อมาอันนี้ระวังจุติกับปฏิสุพนที่เนี่ยไม่มีอะไรข้ามระหว่างกลางนะเป็นอนันตราปัจจัยด้วยเป็นสมนันตรปัจจัยด้วยเป็นเหตุปัจจัยด้วยเป็นอัตคิปัจจัยด้วยเป็นวิคตาปัจจัยด้วยเป็นอัคคปฏิปัจจัยด้วยเป็นตัวชาตปัจจัยด้วยหลายอันถ้าเราเรียนปฐมานั้นเราต้งอยากรู้แต่ ง, ง่ายๆว่าอนันตราปัจจัยกับสมนันตรปัจจัย ทำไมในหลักพุทธศาสนาในเทววาตถึงย้าเรื่องอานันทสัจใจระหว่างจุก จ, จุติจิตกับปฏิสนธิจิตนะเพราะอะไร <S <S ในเรื่องนี้ก็ขอสอดแทรกที่ย้าเรื่องอย่างนี้น่ะก็เพราะว่ามีความเห็นทัศนะของคณาจารย์ในต่างนิกายในต่างนิกายนิกายนั่นคือนิกายสะรวสะวะสติวะทะ <S <S เรียกในภาษาบาลีว่าสัพพติกวาสนิกายสัพพติกวาส สันสเด็กเรียกว่าเทราวาสติวาทันิกายนี้เป็นนิกายคู่แข่งกับ น, นิกายเทรวาในอินเดียมีมีกำลังมีคนนับถือพอพัดพอเวียงกับเทรวาทีเดียบเป็นนิกายเลยพุทธศาสนาเหมือนกันนะไม่ใช่ปางาศาสนานะในที่นี้นิกายเลยพุทธศาสนาเป็นกี้แหละแยกนิกายกันนิกายเทราวาสติวะแต่เขาบอกว่ า, าระหว่างจุติกับปฏิสนธิน่ะมีพบมาขั้นในระหว่าง พบนี้เรียกว่าอันตรภพอันตรภาวอันตรภพคือพบในระหว่างบุคคลที่ตายจากพบปัจจุบันจะต้องไปพักอยู่ในอันตรภาวนี้หรืออันตรภพนี้ไปพักหน้าตาเหมือนคนตายมีผิดในระหว่างที่ไปพักนี่ในเรื่องนี้แหละชาวพุทธในเทรวาตเรายัางเข้าใจผิดมาก คือไปวางเข้าใจในนิกายพูกชา่วฟุตในเทรวาสในเมืองไทยเราเนี่ยไม่เกิดความเข้าใจเป็นตรงนิกายสทรวาสติวาทเขาในเรื่องอันตรภาวะบอกว่าคนตายเป็นผีมาหลอกว่าอุ้ยเขายังไม่ได้เกิดลงเข้ามาหลอกเราล่ะเขาจะไปไปเกิดที่ชอบที่ชอบนะอย่ามาหลอกผู้หลอกคนเลยเขายังไม่ได้เกิดเมื่อกี้ถ้าเราถือว่าเขายังไม่ได้เกิดมาก่อนนั่นแหละแลาถ้าเราเป็นนิกายสทรวาสติวาทแล้วกําลังเป็นสังกัดนิกายสรวาสติวาทไม่ใช่เทรวาส ก็ถือว่าคนตายแล้วยังไม่ไปเกิดยังไปมัมวเป็นผีเที่ยวล่องรอยหาที่เกิดบางคนก็เลยแปรคำบอกพระพเวสีแปลว่านี่แหละพระพเวสีเนี่ยคือผีละ่ะเที่ยวร่องรอยหลอกเขาขอส่วนบุญครับมามาโผล่ตามบ่ายชาบโผลให้คุณเห็นเนี่ยเป็นผีตีนโลนตีนสารเนี่ยความเข้าใจของชาวทายในเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ร้อยละเก้าสิบเก้าทั้งนั้นแหละพอตายแล้วยังไม่ไปเกิดไปเกิดยังเป็นผีอยู่ ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นน right. so so ิกายสารวาสติวะเป็นพวกนิกายสารวาสติวาที่ถือว่ามีอันตราพาวูคือมีทุกอยู่ระหว่างยุติกรรปีติพุทธิเขี่ยต้องเขี่ยวหาทางอยู่ว่าจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดในท้องหมาหรือไปเกิดท้องแม่หรือไปเกิดท้องคนหรือเกิดท้องพญามหากระัตริย์นี่กาลังหาช่องหาทางอยู่เมื่อตัวอย่างนี้ว่าสมมเวสีผู้สลายทุกขเน่ก็ต้องมีอะไรล่องลอยอยู่ว่าสีวิญญาณล่องตาแล้วไปล่องลอยสิไม่ใช่ไม่ล่องลอไม่ได้หรองวิญญาณน่ะ คำว่าสัมภเวสีในที่นี้นะในอสกถาขุทธะบาทชื่อว่าปรมัตโชติกาซึ่งรจนาโดยท่านธรรมปารารธรรมปารารจารท่านแกบอกว่าสัมพเวสีผู้สแสวงหาสมภพได้แก่อย่างต่ำคือสัตวในโล ก, กันอย่างสูงคือพานาคาชื่อเป็นสัมภเวสีหมดท่านแกงั้นเพ อ, อะไร เพราะว่าสัตดังกล่าวนั้นยังมีภาวะเนติภาวะเนติหรือราวะปัญหายังมีพราวะราคะมีภาวะเนติยังพอใจที่จะสมภพพูดง่ายๆว่ายังมีพราะวะราคายังมีพราวะราคายู่สิ้าไม่มีแล้วจะไปเกิดในสุทาวาหรือนี่มีเพราะฉะนั้นราวาปัญหาหรือราวะราคานี่แหละผู้ใดยังตก อยู่ในข่ายเขาเพราะว่าปัญหาผู้นั้นชื่อว่าสัมเวสีเพราะเหตุ น, นั้นสัมเวสีไม่เฉยเพระาะวิญญาณที่ล่องลอยเจ้าหน้าที่เกิดในข่ายแต่หมายถึงพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เป็นๆอยู่นี่เป็นสัมเวสีทั้งนั้นเอาเพราะเรายังมีเราว่าปัญหาอยู่มัต้องรอตายแล้วไม่ต้อ ง, าาอง เ, อเป็นๆอยู่นี่แหละเป็นสัมเวสีกันแล้วเบื้องต่ำสเปโลกันนะเบื้องสูงถึงสุทาวาโทมโลกตราบใดเพราะว่าราคะยังสัต์ไม่ได้ตราบนั้นชื่อว่าสัมเวสี ถ้าไปแปลวล่าสัมฤทธิีคือวิญญาณหาช่องเกิดอย่างนั้นเป็นอันตรภาโลของนิกายตราวาสีว่าซึ่งเป็นนิกายหนึ่งแต่ประจากเทรวาสออกไปเพราะเหตุนั้นตามคติของเทรวาสจึงกล่าวว่าเมื่อจุติจิตเกิดแล้วดับไปจุติจิตนั่นแหละเป็นอนันตรปัปปใ จ, จแก่ปฏิสนธิจิตอุปมาเหมือนหนึ่งบุรุษผู้มีร่างตำำํายําจับสายเผาวันระหว่างปากเหวข้างขวาแล้วโหนตัวข้าเหวไปสู่ฝั่งข้างซ้ายฉันใด ปฏิปิจิตดับแล้วปฏิสุลที่เก้าย่างในภพใหม่ก็อุปมาอุปไมยชั้นนั้นเหมือนกันเก้าย่างออกไปเป็นอย่างนั้นย่างม่อีฝั่งหนึ่งไม่มีช่องว่างระหว่างขั้นเลยไม่มีเลยอันนี้อันนี้ก็ปฏิสุลทวิญญาณนี่มาเกิดใหม่นี่ย่ะได้พาเากรรมชะลุกมาด้วยนะกรรมชะลุก พ, พามณพามาด้วยแล้วกาารมชะลุเนี่ยไม่ใช่รูปไม่ใช่วันเห็นได้กระทบได้ ไม่ได้กรชรูปเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้รู้ได้เป็นธรรมารมรู้ได้เป็นรูปละเอียดติด <c oughs> มากับปฏิสนธิจิตปฐมปฏิสนธิขนาดอย่างลงสู่คันของมารดากรรมไชรูปก็มาครองเพราะฉะนั้นบุคคลข้าจะถ้าจะเป็นหูหลวกตาบอดเป็นใบเป็นบ้ า, บามาแต่กําเนิดแล้วร่างกายวิกลวิการ <c oughs> มาแต่กําเนิดแล้ว มัชรูปในปฏิสนธิขนาดจิตที่ยังลงสู่ตัละละในมดลูกของมารดานะ่ะมันพร้อมแล้วมันพร้อมที่จะทำอภิการแล้วแต่ถ้ามาพิการภายหลังระหว่างตั้งครร่นนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งไอค้คําว่าพิการในที่นี้เนี่ยลไม้ความว่าพิการ ท, ารรทาี่ติดมาพร้อมกับปฐมปฏิสนธิขนาดเนี่ยติดมาพร้อมกันจาก อุตสาุหกรรมที่ทำมาหรือจะเกิดมางดงามยิ่งกนังสาวอภสษราของสกุลก็หมายความว่าต้องงามติดมาจะมาเป็นเชื้อจะมีเชื้องามมาแล้วเราแต่กรมมชรุปรปฐมมาติส่วนทีขนาดนั้นแล้วนะจะมาเกิดมาขี้ริ้วขี้เลยหน้าตาหน้าตีหน้ากลัวทำไห้คนอยากหนีต้องติดมาตั้งแต่ปฐมปฏิสัณฑขนาดแล้วเนี่อย่างนั้นถึงจะสงเคราะห์เป็นกรรมชรุปแต่ถ้าหากมาพิโกนพิการในท่ามกลางระหว่างที่ยังอยู่ในคันระหว่างสิบเดือน ภายหลังปฐมปฏิสนธิขนาดล่วงไปแล้วอย่างนั้นไม่นับไม่นับนั่นเป็นเหตุปัจจุบันไม่นับเหตุในอดีตหม้ยความว่าถ้ารูปธรรมที่จะมีกลวิการอันเกิดจากอํานาจวิบาสของอกุศลที่เกิดจากอาดีตปรุงมาข้ามศพอันนั้นต้องมาพร้อมกับ ก, บกรรมฉลุในปฐมปฏิสนธิขนาดอันนั้นแต่ถ้ามาตาบอกเพราะว่าแม่ไปกินยาผิดเช่นในประเทศเยอรมันมีเหล้าเมื่อเร็วๆนี้มีเหล้าว่ามียาขนานหนึ่ง ยิงมีคันกินมาแล้วออกออกมาแขนด่วนขาด่วน น, น่าเสียดน้าตัวเป็นจํานวนตำพันพันลายเกิดเด็กพิการนับพันพันลายกระทั่งรัฐบาลต้องประกาศห้ามยาชนิดนี้ที่แจงโทษยาชนิดนี้ทั่วโลกอย่างนี้ไม่ถือไม่ถือว่าเด็กที่เกิดมาพิกลพิการอย่างนี้น่ะเกิดพร้อมกับกรรมชรูปในปัตติปฐมปฏิชนที่ขณะไม่ถือไม่ถือเป็นอเหตุปุกาปฏิชนที่ ถ้เกิดมันเป็นใบเป็นบ้าสติไม่เต็นเต็มภายหลังเพราะอำนาจฤิยาที่แม่กินเข้าไปหรือเกิดเพราะพิการแม่ไปหกตู้ที่ไหนเด็กในท้องเกิดพิการอย่างนี้ไม่นับตัดทุกปฏิสนธิไม่ถือเป็นอหิตุกะปฏิสนธิแต่ถ้าหากว่าจะถือเป็นอหิบตุกะปฏิสนธิต้องถือตั้งแต่ประคบกรรมชรลุที่มาพร้อมกับปฏิสนธิขณะจิตถึงจะถือนี่ก็พูดยากเราไม่มีทิ่ประจักษสุยางแล้วก็ ดูยากว่าคุณนนี้จะเป็นอเหตุการณ์หรือไม่อเหตุการณ์หือหือ ห, อ ห, อหือจะมาเป็นกันทายหลังนี่พูดยากนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นหลักการในพุทธศาสนาอันนี้อ่ะก็เข้าหลักกับวิทยาศาสตร์อีกข้อหนึง่งคือว่าทังพุทธศาสนาไมนได้อ้างบอกว่าชีวิตจิตใจกระล่างกายเราเนี่ยมาจากวิญญาณในชาติก่อนอย่างเดียวเรารับลืมปัจจุบันด้วยคือรับล่มกายเนื้อกายเนื้อเป็นของใหม่ที่เราหาใหม่พ่อแม่หาให้เราถ้าจะเปลี่ยนร่างกายนะ เหมือนกับเรือนล่าเหมือนกับบ้านหลังกายของเรงาเหมือนบ้านตัวเราเนี่ยมันผู้อาศัยในบ้านนั้นไอ้หลังกายหลังนี้นะก็มีพ่อแม่เป็นผู้สร้างให้เราปกิทุนที่จิตนะคือผู้อาศัยใน ใ, น ใ, น ใ, น ใ, นในเรือนหลังนี้พ่อแม่สร้างเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเกิดมาก็หน้าตาเป็นฝ ร, รั่งผิวขาวสินิ่โตเกิดมาก็ผิวดำสิผมหยิกสิหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่เหมือนยา่าไปตามเลือดพันทุกตัว นี่แต่ว่าไอ้นามาทำหรือคุณสมบัติของใจเนี่ยต่างกันพ่อแม่เป็นมหาโจรลูกเป็นข้ า, า, หารหันก็มีไม่จาเป็นว่าลูกทานหรนพ่อแม่จะมาทำให้จิตใจของลูกพอเป็นโจรไปด้วยหรืออย่างโชแป้งโมศาสตร์นักดนตรีนักเพล ม, มีชื่อของยุโรป ก, ก็ไม่เคยปรากฏว่ามันทปบุรุษของท่านเหล่านี้น่ะคือตอ น, นักดนตรีอะไรมีชื่อนักหนา อย่างนักชีววิทยาชอบอ่านกันบอกว่าคนเราจะโง่หรือจะฉลาดน่ะอยู่ที่ทุบเลือดซึ่งสืบมาจากกรรมพันธ์ของบิดามารดาปู่ย่าตายายหาจะต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนใดคนหนึ่งเป็นคนเก่งหรือเป็นยีเนียรหรือว่าเป็นได้พรสวรรค์ พ, พิเศษอะไรมาลูกเต่าเกิดมาจึเป็นอัจฉริยะว่ายานัน่แต่ข้อเท็จจริงหลังจากการสืบสวนวัดไอคิวสารวจดูชีวประวัติเลืองหลัง ของบรรพบุรุษของอัจฉริยะบุคคลต่างๆทั่วโลกแล้วไม่ปรากฏว่าอัจฉริยะเหล่านี้คือมีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเปอัจฉริยะเลยไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏเลยเพราะนี้จึงเป็นการขานสมมติฐานของฉีบะวิทยาทางวัตถุที่จะอ้างว่าคนเรานะี่ฉลาดติสงฆ์มาจากเลือดของบรรพบุรุษไม่จริงไม่จริงเลยนี่ในเด็ๆ เ, เป็นการค้านนั้นเราทั่วโลกเขาได้ตั้งสถาบันสํารวจ อดีตประวัติบรรพบุรุษของนักอัจริยะทั่วโลกไม่เคยปรากฏว่ามีสายโลหิตที่เป็นอจริยะเลยไม่ปรากฏย่างไอสไปต์ตัว อ, อื่นก็ล้ดูไอสไปต์เนตัว อ, อย่างผู้ผู้คิดทฤษฎีสัมพันธภาพนิยมผู้คิดผู้คิดทฤษฎีสัมพันธ์สัมพันธภาพนิยมและผู้ที่คิดวิติที่สี่มิติที่สี่ได้กล่าวไว้ <I> ไอ้ทรเนี่ยไม่เคยมีบรรพุทที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือมีไอคิมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง I ไอ้ทรายเลยแมปรากรอดไปถึงเจ็ดช่วงโคตรสอบสวนย้อนหลังแล้วไม่มีเลยอย่างนี้แล้วก็แล้เขาต้องยอมรับอยู่ข้อเดียวว่าคุณสมบัติในจิตของไอ้ทรน่ยในภาวาังทองไอ้ทรน่ะเป็นคุณสมบัติที่อบรมมาแต่อดีตกะทบอบรมมาแล้วความฉลาดอันนั้นน่ะความที่จะเป็นไอเชลีย์อันนั้นอบรมเป็นเชื่อมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าไอ้ทรจะไปเกิดกัรในท้องใคร ถึงแม้ไปเจอในท้องคนตาคนดุใครตาก็ต้งฉลาดแหวกเผาแตกแตกเหล่าพาผากออกมาจนดับอันนี้เป็นตัวอย่างยังบาชิอาเมทีมีชื่อของโลกอย่างขงจิ้งก็ไม่เคยปรากฏว่าบิดามานดาหรือตอนงวงสกุลเป็นคนฉลาดหรือเป็นบัณฑิตเป็นนักปบาชญอามา ก, ก่อนไม่มีเลยแต่ขงจื้อ้ก็เป็นคนพาเหล่าผาก้ออกมากลายเป็นนักปราดที่ยิ่งใหญ่ในบูรพาพิษนี่เป็นตัวอย่าง ใกล้เข้ามาเราดูศักระยวงของพระพุทธองค์ตลอดสายศักระยวงซึ่งต<ส>ื่นตื่ตั้แต่สายพระเจ้าโอกาจาราก็ไม่เคยปรากฏว่ามีเจ้าศักยะยวงไหนที่จะมีความปวนปราดแต่ถานในทางสติปัญญาเยี่ยมยอดเช่นพระพุธทธเจ้าเลยไม่มีเลยเราดูตัวอย่างใกล้ๆในสายศักระยวงก็พอไม่มีถ้ามีก็ต้องมีเขียนไว้บ้างแล้วประวัตในหนังสือพระธรรมประวัติ ที่การไม่ฉลาต่างๆเึ่นในฤาิีสุตรในดิวยาลพานเดีย๋ยวพัลนาถึงอดีตชีวป ร, ระวัติของเจ้าสัจยะองค์สำคัญสำคัญที่เป็นรรพบุรุษของพระพุทธองค์เนี่ยไม่เคยพัลนาในทางที่เจะเป็นนักปราชญ์ไม่มีเลยแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้ากะองค์เป็นปราชญ์ยิ่งกปราชญ์อันนี้ก็เห็นได้แล้วว่าเรื่องเรื่องเรื่องกรร ม, มาพันในทางชีวะวิทยาน่ะเป็นสมมติฐานอันหนึ่งที่นักวิทย า, าศาสตร์ตอบปัญหาทางนามธรรมไม่ตก จึงได้ดูกรองไปให้ยังขอไปตีขอปปเป็ น, นทีว่าเป็นเรื่องมันพังพูดนะไอ้ความไมีออเชริยะของคนเนี่ยทำไปเช่นนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์จะต้องต้มหัวยอมรับทฤษฎีการเวียนไหวตายเกิดตอนนี้พิสตีการเวียนไหวตายเกิดเป็นสิ่งซึ่งวิทยาศาสตร์ทางวัตถุยังวิจัยไปไม่ถึงไม่ใช่ว่าเขาปฏิเสธนะนักวิทยาศาสตร์ที่แค่แล้วเขาไม่กล้าปฏิเสธเป็นเรื่องไหวตายเกลลิดแล้วเขาเพียงแต่บอกว่าเป็นสิ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงเท่านั้นเองไอ้พวกที่ปฏิเสธ พวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์เก๋วิทยาศาสตร์เทียมนักวิทยาศาสตร์เทียมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จริงวิทยาศาสตร์จริงอย่างเซอร์เจนกีนนักวิทยาศาสตร์มีชื่อของสาขาสถานตั้งจิตหรือปัญหาเรื่องประพศหรือเรื่องวินญาณศาสตเซอร์เจนกีนก็ตอบอย่างชนิดวางภูมิของความเป็นปรากของตัวบอกว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงมากนะข้าพเจ้าเชื่อว่า ในในในสิ่งต่างๆซึ่งความรู้ยาศาสตร์ยังค้นคว้าไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในนั้นด้วยตราบใดที่ยาศาสตร์เรายังพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นว่าจะเป็นของไม่จริงไปเสียเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นคําพูดที่น่าจะยกย่องสําหรับนักยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างเซอร์เมจมกินไม่ใช่ว่าอึกอักก็ปฏิเสธว่าไม่มีเพราะโลกไม่มีเลยอ้างหลักทางวัตถุบอกว่ า, วายาศาสตร์เขาว่าไม่มีเนี่ย ผู้ที่อ้างอย่างนี้ก็โดยมากเป็นนักวิทยาศาสตร์เทียมนักวิทยาศาสตร์แก้หรือว่าคูณยังานว่าตีเสมอนักวิทยาศาสตร์ความจริงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จรงิงซะหน่อยคือว่าถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์จรงิงไล้วจต้องรอการพิสูจน์ก็มื อ, อยังความก้าวหน้า้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีใครบางอาจที่จะกล่าวได้ว่าได้ถึงจุดจบของการพัฒนาของมันแล้วใครเลยจะรู้ว่าอีกร้อปีสองร้ปีข้างหน้าเราจะไม่สามารถจะค้นพบในเรื่องบรโลกหรือเรื่อง อทฤษยากายต่างๆอันเหนือวิสัยของสามัญมนุษย์ดีหรือในในวิวเเวสการ์ย่ำก้าวหน้าไปเรื่อยๆความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าหนึ่งก็เป็นการหา้างทฤษฎีเก่าๆของในวิทยาศาสตร์สมัยก่อนๆที่ค้นพบมาที่ละเปลาะท้องเปลาะยกตัวยอย่างเช่นสมัยก่อนมีคนเชื่อกันบอกว่าเส้นตรงในโลกนี้มีเชื่อกันอางั้นเชื่อกันมานานต่อมา ก, ก็ถูกคัดทานว่าเส้นตรงมีไม่ได้สิ เส้นตรงเมื่อท่านลา่าลากยาวไปแค่ไหนก็ตามในที่สุดเส้นตรงเส้นนั้นจะต้องมาหาจุดตั้งต้นของมันใหม่เพราะอะไรเพราะมันกลมเพราะนเส้นตรงในโลกที่มีไม่ได้ลากไปลากมาแล้วก็มาเวินมาหาที่เก่าอีกนั่นแหละนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงสมัยเล่ายาศาสตรหมัยหนึ่งเชื่อกันบอว่าอนุนี่แหละเป็นอันติมาของวัตถุเมื่อย่อลงไปแล้วคืออนูต่อมาเขาเชื่อว่าอนุยังแยกตัวมันเองได้เป็นประมาณู เดี๋ยวนี้ปรมาณูก็ไม่จริงอนุก็ไม่จริงเพราะทั้งอนูกับปรมาณูล้วนแต่เป็นวัตถุย่อยสามารถสลายตัวมันลงไปเรื่อยเื่จึงกระทั่งเป็นพลังงานถ้าหาว่าปรมาณูสลายตัวไม่ได้แล้วไฮโดรเจนบอมก็ไม่เกิดปรมาณูบอมก็ไม่เกิดที่เกิดไฮโดรเจนบอมเกิดขึ้นได้น่ะก็เป็นการหัดนพลังทฤษฎีเรื่องปรมาณูไม่สามารถลา ส, ลาสลายตัวมันสลายดูดสลายตัวดับแต่กลายเป็นพลังงานเป็นเป็นเป็นพลังงาน เมื่อตั้งปัญหาถามนักวิทยาศาสตร์ว่าแล้พลังงานละ่ะมันเป็นการจริงอันตรมะอย่างนั้นหรือนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบไปได้เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันยังละลายตัวมันเองได้อีกนี่เปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้สิ่งใดที่มัยังเปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้สิ่งนั้นก็เป็นการป้องในตัวมันเองว่ามันก็ต้องเกิดมาจากสิ่งสิหนึ่ ง, งเพราะฉะนั้นการคนา้นคว้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ย